้มีอุปาทานแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดภพนะครับภพบอ่าคําว่าภพในที่นี้ยท่านก็เข้าใจนะครับท่านแก่เป็นกรรมพะโวกับอุปาภติพโวกรรมพะโว่ปะติพโว่ตนะ่างกันอย่างไรกรรมพะโว่นะความจริงก็เป็นสังขารในเงื่อนอวิชชาปัจจัยเกิดสังขารนั่นแหละคือแก้ได้แก่กุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมพโวเนี่ยเพราะฉะนั้น กรรมภพถ้าจะว่าองค์คำแล้วไม่ต่างกับสังขารนะครับเพียงต่างตั้งแต่ว่ากรรมวิชากับสังขารเป็นอดีตเหตุกรรมนี่ตรงปัจจุบันเหตุซึ่งจะส่งผลอนาคตผลในภายภาคหน้ากรรมกรรมภพเนี่ยส่วนอุปาปิภพนั้นอุปาปิภพคือหมายถึงภพอันเป็นที่เกิดก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่า อุปปติกภพกับชาติมันต่างกันอย่างไรเพราะเพราะว่าเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเอ๊แล้วมาแก้ครับอุปปติกภพที่เกิดแล้วกับชาติมันต่างกันอย่างไรต่างกันครับอุป ป, ป, ปัสสิกภพแล้วว่าที่เกิดชาติแล้วว่าความเกิดที่เกิดกับความเกิดจะต่างกันนะสถานที่คล้ายๆที่นี่เวลาทามเรียนที่นี่ในสถานที่แล้วการที่เรามาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่นี้ นี่เป็นชาติเนี่ยต่างกันอย่างนี้ครับอุปาคติพบแปลว่าที่เกิดชาติแปลว่าความเกิดเนี่ยไอ้ความเกิดกับที่เกิดเนี่ยมันใกล้กันเต็มทีฟังให้ดีจะเห็นต่างกันไอ้ที่เกิดหมายถึงสถานที่ท่านแก้ว่าได้แก่ได้แก่อะไรตามมาพรูปพบอรูป พ, บพบสัญญีพบสัญญิพบเนวสัญญาณนะ ส, ส, สัญญาพบเนี่ย เอกภูการพจบจะตูการพบปัญจาการพบเก้าพบด้ยวยกันที่เกิดขึ้นนี้เก้าพบเป็นพพเก้าพบด้ยวยกันส่วนชาตินั้นไม่ได้แก่อย่างนี้ชาติเป็นเพียงที่กิริยาอาการที่ขันตกาตดในพบเหล่านั้นความเกิดขึ้นของขันเช่นว่าเราไปเราไปจับในปัญจาการการที่ขันห้าประชุมพร้อมเกิดขึ้นในขณะแรก ชื่อว่าชาชื่อว่าชาถ้าจะว่าไปแล้วก็อนนับตั้งแต่ปฐมขณะแห่งปฏิสุธิวิญญาณที่ยังลงสู่คัน ข, ของมารดาอันนี้เป็นชาเป็นชาติแล้วไม่ไม่ใช่ไปแล้วเอาตอนค้อบเราเป็นชาติไม่ใช่นะครับต้องถึงเอาตั้งแต่ปฐมปฏิสุพิวิญาขณะยังลงสู่สู่คันมารดานี่เป็นชาินี่อันหนึ่งล่ะถ้าถือกันตามอย่างสามัญก็ต้องถือเอาตอนที่ว่า ตอนคลอดกูแหว่ออกมาแล้ววินาทีแรกเป็นชาตความจริงเนี่ะถขาว่ากันตามปรมาทัตแล้วมันเริ่มเป็นชาติตั้งแต่วินาทีแรกสิปฐมปฏิสุขที่วิญญาณลงแล้วนี่แหละเป็นชาติแท้โดยปรมาทัตเป็นชาติแท้อันนี้ก็เป็นชาตเพราะฉะนั้นชาติกับอุปา ป, ปฏิภพเนี่ยต่างกันพบหมาถึงที่เกิดได้แต่พบเก้าพบทั้งเก้าส่วนชาตินะหมายถึงอาตายที่เกิดอาการยของความเกิดขึ้น ไม่ใช่ที่เกิดเป็นอาการของความเกิดเพราะเหตุนั้นอุปัตติภพจึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติกรรมภพเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติจ้ะอันนี้เป็นข้อข้อที่แตกต่างกันอีกอุปัตติภพไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติกรรมภพเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติจ้าไมถึงกล่าวว่าอุปัตติภพไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเพราะว่าอุปัตติภพน่ะมันเป็นเพียงสถานที่ เป็นสถานที่แล้วแล้วก็มันเป็นอัิญญากรรมธรรมนะ่ะเป็นสถานที่อะ่ะมันเป็กุศลากุศลน่ะมือเงินมือไม่เป็นกุศลากุศลแล้วมันจะไปต่อให้เกิดชาติไปอย่างไรไม่ไม่ต่อให้เกิดชาติค้ายาตลาการบาลีนี่มีชีวิตจิตใจอะไรเนี่ยมันจะไปทําบุญทําบาปได้ไงสลาการบเลีหลังเนี่นอ่ะเพราะฉะนั้นจึงอุปปติภพไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติในปิจจัยสม ป, ปบาทกรรมภพเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอะ อโวในที่นี้ต้องมีสองหน่ยยะก็อธิบายสองหน่ายยะอธิบายอุตตปติหน่ายยะหนึ่งอธิบายเป็นกรรมภาวะหน่ยยะหนึ่งกรรมภาวะเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันอาชาในกรรมภาวะเนี่ยกรรมใหม่ที่เราทําในปัจจุบันอันจะส่งผลเป็นอนาคตอาชาในการอนาคตในการภายภาคณาในอนาคตพอไปถึงอนาคตขากใหม่ไอ้กรรมภาวะนี่กลายเป็นสังขารในอดีตในอติจาราอวิชาสังขารในอติจาราใหม่ มุนเรียนอย่างนี้วัฏจักรหมุนเวียนหมุนเวียนกัอย่างนี้เป็นต้นมานี่เป็นเรื่ปฏิจจสมุปบาทโดยย่ออย่างสังเขปอย่างสังเขปนะฮะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกกระทับในพุทธศาสนาจึงไม่ได้ดเพ่งท่านผู้สางข้างนอกไม่ได้ดเพ่งว่าเป็นโอกาสโลกมันจะมีวิวัฒนาการมาอย่างไรแต่เพ่งมาที่โลกคือชีวิตตระดวงกระดวงเนี่ยว่าชีวิตนี่มีวิวัฒนาการมาอย่างไร แล้วก็จะดับการวิฒนาการของชีวิตลงโดยวิธีอย่างไรเพราะชีวิตวิฒนาการไปก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตความยิ้มไหใจเกิดเป็นทุกข์ต้องหาทางดับทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องดับอวิชชาจะเพระปัญหาจากเท่านี้โลกก็ดับโลกเกิดก็ที่นี่โลกดับก็ทีน่นี่เพราะเหตุนั้นโบราณท่านจึงตั้งเป็นกระทูท้ธรรมบอกว่าขึ้นทางไหนก็ต้องลงทางนั้นเกิดทางไหนก็ต้องดับทางนั้นเหมือนกับไป ไฟดับเราตรงไฟลุกโงงๆที่นี่เราจะไปดับไฟว่าไปดับไฟที่ตะวันออกไม่ได้ล่อเอาน้ําฝากไปทางทิศเหนือก็ไม่ได้ไฟดับที่นัก็ต้องดับไปที่ตรงนั้นแหละจะไปดับไปทิศโน้นทิศนี้ไม่ได้เราขึ้นต้นไม้วิธีจะลงจากต้นไม้ก็ต้องลงบนทางเก่าลงมาขืนจะโจนมาขาแข่งหักเลยดีไม่ดีตายผิดทางวิธีจะลงจากต้นไม้ก็ต้องลงทางเก่าขึ้นทางไหนก็ต้องลงทางนั้นเจอที่ไหนก็ต้องดับที่นั้นคาวิชาตัญหาเกิดที่นี่ก็ต้องดับที่นี่ เกิที่ปัญแจกขันก็ก้อดับที่ปัญแจกขันนี่โบราณทา่านถูกปริศนาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นวิธีการโลกจะเกิดโลกจะดับอยู่ที่ตัวเรานี่การพัฒนาในพุทธศาสนาสอนอย่างนี้การที่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ทําให้ได้เปรียบศาสนาอื่นคือศาสนาอื่นนะ่ะเมื่อไปเท่งข้างนอกแล้วทุกก็ดับไม่ได้ี่เลก็ดับไม่ได้อย่างมากก็เป็นเพียงแต่ว่าสร้างความหวังอย่างหลงหลงแรง ว่าเราอ้อนวอนพระเจ้าไปทักดีพระเจ้าไปตายไปแล้วจะได้ขี่ข้าวบริวารพระเจ้าบนสวรรค์คิดอย่างนั้นนะฮะเนี่ยแต่ทางพุทธศาสนาเราศาสนาพุทธนั้นจะมีศาสนาแห่งเสรีภาพทั้งทางกายทางใจศาสนาที่เป็นเทวานิยมน่ะตป็นศาสนาระบบธาตสอนระบบธาตคือสอนในคนนี่น่ะเป็นธาตของพระผู้เเจ้าไม่เคยมีในศาสนาเทวะนิยมที่สอนว่า หามนุษย์เราทําความดีถึงขนาดแล้วจะเป็นพระเจ้าองค์ที่สององค์ที่สามไม่มีนี่ไม่เคยปรากฏยังดีก็เป็นเพียงขีข่าวพระเจ้าคนใช้พระเจ้าบริวารพระเจ้าบนโนท์ไอ้ที่ว่าจะมีฐานะสมมอพระเจ้าไม่มีเลยนี้ไม่ได้คืนมีเขาเป็นกบฏคือมีกเขาเป็นพวกปลาปามหรือมพวกยักษ์พวกมารเป็นศัตรูกับพระเจ้านี่คืนมีครับนะแต่พวกศาสนาเราอธิบายให้แก่ชาวบ้านฟังระบอตรงกันข้ามเลยพระศาสนาพุินเป็นศาสนาให้ประชาธิปไตย เป็นศาสนาแห่งเสรีภาพทางทางในทางนอกไม่ใช่เสรีเสรีภาพแต่แต่ลมปากทำให้ว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าใครอยากจะเป็นผท้พิจาก็เป็นได้ถ้าคุณนั้นสร้างบารมีเขาจะเป็นเู้พิจาาได้ตำแหน่งผท้พิจ้าไม่ได้ผูกขาดสําหรับพระโคตมะองค์เดียวผท้พเจ้าัณงในอดีตสร้งแสงโกดปัจจุบันแสนโกดอนาคตแสนโกดมากมายกระทั่งมีคําว่าคังคาณทีวาลูกโกบมาพุทธาคังคาณทีวาลูกโกบมาพุทธา ปริมาณแห่งพระพุทเเจ้าทั้งคนอุปมาเหมือนหนึ่งเมล็ดทรายในแม่น้ํำคงคาหมายคมว่ามีมากมากเกินเรานับเมล็ดทรายในแม่น้ํำคงคาไม่หมดฉันใดเราจะนับประมาณแห่งจำนวนพระพุ้เเจ้าที่กลับไปแล้วที่กําลังตรัสอยู่ที่จะตรัสในอนาคตไม่หมดชันนั้นนั่นก็คือแสดงว่าพุทธศาสนานี้เป็นประชาธิปไ ต, ตยแท้ไม่ได้โฮคาตําแหน่งหัวหน้าว่าจับคนใดคนหนึ่งอันเป็นระบบะเผด็จการ แปลว่าใครก็ตามทํามีคุณงามความดีเต็มพร้อมก็มีสิทธิที่จะก้ามาสู่ตำแหน่งผู้ น, นําได้ถ้าเขาเลืขึ้นมานี่ทางพุทธเราก็บอกใครสร้างคุณงามความดีบารมีสามสิบทักษ์สมบูรณเป็นสัจธรรมกะโอธิสัตว์ก็หกแสนไข่หกอสงไข่แสนมหากับเป็นปัญญาสิกขาโอธิสัตถ์ก็สี่อสงไข่แสนมหากับสร้างมาครบบริบูรณ์แล้วตําแหน่งผุ้เปเจ้ามันเลหนีไปไหนเสียแกเป็นทันธีเฉียวไม่ใช่ถูกขาดสําหรับใคร นี่เราบอกลราชนะศาสนาเท ว, วานิยมแล้วศาสนาตายเท ว, วานิยมเราอ่อนร้อนแทบปากจะหักทําความดีแทบชีวิตกระดับเป็นได้อย่างมากที่ข่าวพระเจ้า <c oughs> อยู่นนบนขวัญเป็นบูมูนบูเราะพเจ้าอยู่บนโนูนจะให้เป็นเสมอพระเจ้าไม่นี่ศาสนาอย่างนี้เป็นพเด็จการถูกอํานาจผู้ขาดได้คนเดียวนี่แต่พุทธศาสนาไม่ใช่พเด็จการเป็นประชาธิปไตยเราสอนราธิบายแบบนี่ชี้แจงลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนา ตอนนี้มองเลยไงของความคุกการที่ไปเกิดบนสวรรค์เป็นขีขนาวุธเจ้านั้นัศนาของชาวพวกเราสวรรค์กยังเป็นไม่มีความหมายนี่สวรรค์เนี่ยยังอยู่ในวัฏจะไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นมีผู้มาถามพู้ศึกษาบอกว่าใครหนอใครลา่าจริงเป็นผู้ประเสริฐผุดในโลกนี้กับทั้งเทวโลกพระองค์กษัตบอกว่าวิช <c oughs> ชาจารณะคัมปันโนโซเซโคเดวามาลุเซ ผู้ ท, ท, ที่ถึงพร้อม er ในวิชาและจรณะผู้น okay. ั้นแหละเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือตรัสเป็นกลางๆไม่ได้บอกว่าเทวดาปรเสิฐกว่าคนหรือพระเจ้าประเสริฐกว่าคนไม่พูดต้นตัดว่าใครก็ตามจะเป็นเทวดาก็ตามจะเป็นมนุษย์ก็ตามถ้าถึงพร้อมในวิชาและจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือตระพนึกตามความรู้ที่ตัวรู้ได้ผู้นั้นแหละที่เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงนี่ ลักษณะอย่างนี้พุทธศาสนาเป็นมนุษยภาพนิยมและเป็นปฏิฐานานิยมซึ่งศาสนาอื่นไม่มีเป็นฮิวแมนิซึมเพราะหลังโลกฮิวแมนิซึมเป็นมนุษยภาพนิยมแล้วก็เป็นปฏิฐานานิยมเป็นประจักษ์นิยมคือแทนที่จะไปเอาความดีความงามไปบ้กยกให้กับพระเจา้าพระเจ้าเองก็ไม่ไม่เคยปรากฏในตำนานศาสนาเหล่านั้นว่าไปทําความดีอะไรมาเพื่อเป็นพระเจ้าคนเราจะมีฐานันดนตําแหน่งสูงขนาดนั้นะ มันต้มีประวัติสิว่าไปทําคุณงามความดีอะไรมาเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเนี่ยเราเราเราไปถามเขาสิว่าพระเจ้าท่านเนี่ยเคยมีประวัติทำความดีอะไรมาบ้างมีัหมมีบ้างไหมอยู่ๆก็มาสร้างโลกขึ้นมาแล้วประวัติที่พระเจ้าองค์กว่าจะได้เป็นพระเจ้าเนี่ยทำความดีอะไรมาบ้างอยากจะรู้ถึงได้ฐานันดรตำแหน่งสูงอย่างนี้หืมไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นศาสนาฝ่ายโทว่านิยมนะเขาบอกว่าพระเจ้านี่แหละพระเสริญสุดคนนินพระเสริญ ส, สู้พระเจ้าไม่ไดา แต่ไม่ปรากฏตัวพระเจ้าได้ทําคุณงามความดีอะไรมาก่อนพอมาประเด็นปัญหานี้มาถึงพุทธศาสนาเขา้าพุทธศาสนาเหล่าแทนที่จะไปตัดสินความประเสริฐอยู่ที่มนุษย์หรืออยู่ที่เทวดาคือพระเจ้าตัดตัดสินอยู่ที่ความรู้กับความประพฤตว่าใครมีความความรู้และประพฤตตามที่ตัวรู้ได้ผู้นั้นแหละประเสริฐสุดยิ่งกว่าพระเจ้าและมนุษย์อันนี้เราจะหาศาสนาที่ให้ความยุติธรรมอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่กระเสริฐเพราะเหตุที่ว่าแกเป็นพระเจา้าไม่ใช่กระเสริฐเพราะความรู้ความบันทึกก็ฮะก็ะะพฤ่งดีด้วยดีตามที่ตัวรู้ดีนี่เพราะฉะนั้นลักษณะพระเจ้าในพุษษทธศาสนาท่านจึงแบ่งแบ่งเป็นสมุติเทพอุปปัติเทพกับวิสุทธิ เ, เทพแล้วทรงสัรเสริญกับวิสุทธิเทพนี่ยกระเสริฐที่สุดวิสุทธิเทพได้แก่อะไรอราหารันที่หมดกิเลสแล้วสมุติเทพที่พระเจ้าแผนริมอุปปัติเทพคือเทวดาโดยกำเนิด เนี่ยคือพระเจ้าส่วนวิสุทธิเทพท่นจะเป็นมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามถ้าหาว่าหมดจากกิเลสกิเลสอาตวะแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดอันนี้แหละราะฉะนั้นศาสนาที่เป็นฝ่ายเทวานิยมน่ยมักจะอ้างอ้างบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมพย้อนถามเ่าเนาะเราบอกว่าใช่อ้าวถ้าเป็นมนุษย์กต้อพระเจ้าของท่านสร้างขึ้นมาเพราะพระเจ้าของท่านเน่ยสร้างมนุษย์เพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็เพระเจ้าท่านไม่ได้พระเจ้าสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมา ถ้ามีพระเจ้าเราก็พระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่เกิดเขาว่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างปัญหาย้อนถามพระปายบอกว่าเอาละจะมีพระเจ้าหรือไม่มีนะทางพุทธศาสนาเราถือ่าบุคคลนม่สำคัญหรอกบุคคลเนี่ยฐานะเขาบุคคลไม่สาคัญสําคัญที่ความประพฤติจิตใจคุณธรมบัตรเราถามว่านี้บอกว่าพระเจ้าของท่าน่ะโกรธเป็นไหมโลดเป็นไห ม, เ, ไมเขาบอกเขาบอกไม่เจนแนละ้วบอกอ้างตำราดได้เลยนะอักตางทำทีเขา้า เข า, จ ะ, าจะเขาจะกลัไปเป็นบรรดาให้น้ําท่วมโลกคนตายทั้งโลกเลยอบรรดาเนี่ยโรคระบาดคนตายทั้งประเทศเลยสร้างนรกว่านั้นหลับจับคนไปลงโทษเลยพระเจ้าสรางเท่ า, ทานั้นแหละเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ทูตซะหรือแล้วลพระเจ้ากอาเท่ า, าคุณมาฉันเสรินวงสวงเย็นย่อพระองค์โปรดโกรปกดคนนี้ฉันเสริญถ้าใครไม่ฉันเสรินก็โปรดเอาตัวไปลงโทษลงนรกลงโทษจับติดไปนี่ไม่ใช่โลกแล้วเพราะฉะนั้น ทาพุทเราตัดขึ้นด้วยคุณนะสมบัติพระเจ้าของแกนะถ้าลงมีอย่างนี้แล้วนะไม่ประเสริฐแต่พุทธพุทธพระองท่านในดาพุทธพระท่านก็มีโรคปวดลงเพราะนั้นข้ากล่าว่าพุทธพะท่านสนิทใจเพราะว่ามันท่านเองก็มีโรคปวดลงคนนี้โรคปวลงจะไกลับว่าโรคปวดหลงด้วยกันกล่าวว่าไม่โรคเพราะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าสวรรค์เป็นเรื่องประเสริฐเลือลลอยอะไรการที่จะฝากอนาคตให้ไปบํารุงบําเรอพระเจ้าบนสงสวรรค์จึงไม่ใช่อุดมมาทัศนีในพุทธศาสนา ไม่ใช่อุดมสติในผู้าสนาเราไม่อยากจะบัดเดินบนสวรรค์เราอยากจะเกิดสูงกว่าสวรรค์ไปอีกคือนิพพานอันเป็นธรรมอันไม่เกิดลงนี้เกิดแล้วยังมีทุกข์และบอกเทวดาก็ยังคุกอยู่นี่นะนี่ยังโกรธเป็นยังโลภตป็นี้ยังชอบเข้ามาสันเสรินยังเป็นโลภะอยู่ผู้ตาสนาถือเป็นโลภะยังชอบเข้าสันเสริญยังรู้สึกโกรธเมื่อเขาไม่สันเสิร์นตัวสร้างอารมณ์ไปทรมานคนยังไม่โทสะอยู่ใช่ไหมดา พระฉะนั้นวดาก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์หรือคุณสมบัติเหตุนั้นสวรรค์จริงยังไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐสุดหรือเป็นบรมสุขแท้เพราะแม้แต่พระเจ้าเองยังโกรยังยังยังโกรธเลยแล้วจะป่วยกการปยัยการลู่นล้อพระเจ้าเพราะฉะนั้นสวรรค์ยังไม่ใช่เป็นอุดติที่แท้จริงของชาวพุทธที่จะไปเราต้องไตให้สูงกว่าสวรรค์เราถือว่าการไป่เตื่นสวรรค์ยังทุกอยู่นี่เราถืาาเ อ, อ เ, รถเราบอกนี้เพราะฉะนั้นเราจรึงแสดงปฏิจิจกรรมบทบาทเพื่อจะดับทุกข์ันนั้น แค่นี้จะได้คิดสร้างโลกข้างนอกต่อปัญหาว่าโลกนี้ใครเป็นผู้สร้างเลิกไม่เอาจับประเด็นสมยัยอธิบายให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าประเด็นที้พูดธต่างจประเด็นที่ทนนะประเด็นที่ทันเห็ น, นสวรรค์เป็นบรมสุขแต่ประเด็นที้พูทต่อสวรรค์น่ะเป็นบรมทุกข์เพราะว่าพุทธเจ้าเองแกตัสรุปนะ่ะนานๆพระ อ, องค์ไม่เคยตัดสรุบนสวรรค์พุทธเจ้าเนี่ยต้องตัสรุในโลกมนุษย์ถ้ปโธิสัตว์จะสร้างบารมีนะ่ะ ถ, ถ, ถ, ถ้าไปสร้างบุญสวรรค์ถ้าพรองค์ไเกิดบุญสวรรที่อายุยืนเกินตายขึ้นมาเกิดเป็นพมรโลกนี่ยหมดหนทางสร้างบารมีหมดหนทางต้องทําอธิการมุตตะต้องทําอธิการมุตตะกิริยาอธิมุตตะการกิริยาต้องทําอธิมุตตะการกิริยาอธิฐานให้ดับชีวิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์แต่เกิดบนพมรโลกตั้งแปดหมื่นนะฮตับไปเนี้ยแม่เจ้าโวไปอยู่บนน้นหมดหนทางสร้างบารมี ข้าบนโนนน่ะเขาสบายกันทำไมพุทธมณฑนะพวทมเนี่ยพวกธมณนฑะ์ซะอีกที่ม่มีโทสะมียังมีโมหะอยู่ไม่มีโทสะไม่มีโลภะแต่ว่ายังมีโมหะพวทธมณ์ยังปรเสริฐกาสวรรค์ของพระเจ้าที่ยังมีโทสะมีโลภะแต่พวทธมอายุยืนมากแล้วก็บนโนนมันจะไปปล ด, ดใครก็ไม่รู้ทุกคนกำลังอยู่ในชานสมาบัตสบายจะเกินจะตายไปหมดแล้วนี่จะไปทำทานมันจะทกับใครก็ไม่รู้จะไปสงเคราะห์ใครก็ไม่รู้บนโนนเขาไม่ส่งให้เราไปสงเคราะห์นั้นน่ะ ทุกคนมีฌาสมสบัตยสบายอกสบายใจกันในทั้งหมดทั้งหมดเพราะนั้นพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดบนพุมธโลกอายุ ย, ยืนยืนจึงต้องทำอธิอธิมุตตะกาลกิริยาแปลว่าอาธิษฐานให้ดับชีวิตให้เกิดมดอธิษฐานโอ้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไปก็ไม่มีโอกาสจะสร้างบา ร, รมีอธิษฐานเรามาเกิดในแดนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ใครปรากฏว่าพระโพธิสัตว์น่ยไปสร้างบา ร, รมีบนสวรรค์ หรือบนโวรรคส่วนมากมาสร้างบา ร, รมีใดๆมนุษย์ทั้งนั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีมีไอสิ่งต่างๆที่จะให้ผู้ริสัทธ์สร้างบา ร, รมีได้มากกว่าทั้งสวรรค์กว่าทั้งสวมโลกอันนี้เป็นลักษณะฮิวแมนิซัมในพุทธศาสนาคือมนุษย์เยภาพนิยมที่แมนิซัมแปลว่ามนุษย์เียภาพนิยมนี่พทุทธะก็ต้องเป็นมนุษย์เกิดใดๆมนุษย์ผู้บริสัทธ์ก็ต้องมาสร้างบา ร, รมีใดๆมนุษย์เป็นส่วนมากนี่อันนี้ เพราะนั้นคุตถาาสนานี้แล้วที่ของเราจึงแตกต่างกับศาสนาฝ่ายเทวะนยิยมในจุดตรงนี้วันนี้เรื่องปฏิจจสมุปาท์ต่อเห็นยาพอทั้งควรแก่เวลานะครับมีก็คุณเจ้ารูปหนึ่งเขียนถามมาว่าแถวบ้านอัตมานั้นเขาทอบเรียกเจ้าพ่อเขาทรงขอหัว ข อ, อเบอร์กันอาตมาเห็นเจ้าพ่อแสดงอาการกิริยาต่างๆเช่นแลบลิ้นปริมตาอาตมาเห็นว่าลิ้นนี้ออกมาเกิดขึ้นการเข้าทรงนั้นวิธีเข้าเราไม่เห็นเพราะเป็นกายชิดแต่วิธีแสดงออกของคนถูกเจ้าพ่อเข่าสิงนั้นพูดก็ผิดเสียงธรรมดาอาตมาอยากทราบว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อตึงตึงลิ้น